ในเวลาที่เราปฏิบัติหลักของการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือความเพียรความความเพียรที่เราทุกคนจะต้องต้องมีให้ผู้ปฏิบัติสังเกตดูว่าในช่วงที่เรา ทำความเพียรอยูนะ่มันมีเรื่องที่กวนใจไหมสิ่งที่มากวนใจไม่ว่าสมาธิก็มีนิมิตไม่ว่าความคิดมันก็เกิดจนมันมากไปบวกกับอารมณ์ที่มีสิ่งมามากระทบให้เรา พิจารณาว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยสติของเราจับอยู่กับสิ่งไหนจิตของเรารู้อะไรและปัญญาหรือในสภาพรู้เนี่ยเขาคิดเขาอ่านอย่างไรเขาเขาปล่อยเขาวางอย่างไร หรือเขาปรุงเขาแต่งอย่างไรผู้ปฏิบัติต้องหัดนะต้องหัดสังเกตหัดสังเกตดูอย่างเวลานั่งก็ตามเนี่ยพอมีเสียงมากระทบทั้งเป็นเสียงที่อยู่ใกล้และเสียงที่อยู่ไกลไม่ว่าใกล้ไกลแค่ไหนก็ตามพอมีสิ่งมากระทบที่เราสัมผัสรู้เนี่ย เราดูว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดยินดีไหม ย, ยินร้ายไหมหรือเฉยๆแล้วก็ปล่อยวางหรือเพียงเสียงก็สักว่าเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายไม่ยึดมัน ต้องพิจารณาและในขณะที่มีเสียงมามากระทบรู้เนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเกิดจากโสตวิญญาณที่มันทำงานสัมพันธ์กันอยู่ในกองขันห้า ตมาเคยบอกว่าคนตายเนย่เสียงดังอย่างไรก็ไม่รู้ในเสียงดังนั้นคนเป็นเท่านั้นที่รู้เสียงก็คือโสตะวิญญาณเขาทำงานอยู่ในขันห้าของเรานั่นแหละ เราเคยกำหนด ว, ว่านี่คือโสตะวิญญาณพอกระทบในเรื่องของของรสอาหารเราเคยกำหนด ว, ว่านี่คือชิวหาวิญญาณที่รู้ในรสของอาหารเนี่ยของพวกเราก็จะพูดว่าลิ้นลิ้นของเราเผ็ดหวานมันเค็มเป็นของเราจริงๆ วิญญาณทำหน้าที่รู้ในรถเมื่อสิ้นวิญญาณรถถึงสัมผัสเอามาอย่างไรก็ไม่รู้ในรถเพราะไม่มีวิญญาณในชิวหาหรือชิวหาวิญญาณเราเคยกำหนดไหมขันห้าอย่างนี้พอไม่กำหนดสติ ก็ไม่อยู่ในขันห้ามันก็เป็นตัวเราตลอดเราเรียกกันคือมันเป็นอัตตาเป็นอัตตาตลอดแล้วเวลาเรานั่งก็ดีเราปฏิบัติธรรมอยู่ในเอียบทไหนบางทีเราได้ยินเสียงรู้ไหมว่าในขณะที่มีโสตะวิญญาณ ธาตุธาตุแห่งสภาพรู้เนี่ยวิญญาณมันก็ยังมีขันอีกที่เรียกว่าสัญญาขันมันยังมีความจำจำได้ไม่รู้จำได้จำได้ แม้เสียงนี้บางทีเราก็รู้ว่านี่คือเสียงของใครรูปนี่รูปสมมุติอย่างไรนี่คือการทำงานของระบบในคณะของขันคณะของขันห้ามันก็มีตัวสัญญาเข้ามาเรากำหนดรู้ไม่ว่าสัญญาที่จำรู้รู้จำก็ตาม ไม่ว่าจะจำสีจำแสงจำอะไรก็ตามนะมันก็คือสัญญาขันมันก็คือในขบวนของขันหนึ่งในขันห้าเมื่อจำได้หมายรู้นะเราเคยกำหนดไว้ว่าเรายึดมั่นในสัญญาเรายึดมั่นในความหมายจำและจำ ในความหมายบางคนจำในเรื่องของอัติตารมอารมณ์ที่เป็นอดีตของความโกรธความเจ็บความทุกข์ทั้งหลายจริงๆมันเป็นสัญญามันไม่ได้เจ็บอยู่ในปัจจุบันเลยแต่เมื่อเรารู้ไม่ทัน เราคิดเลยว่ามันเหมือนยังอยู่จริงๆไม่ใช่คณะสัญญามันทำงานขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจริงเมื่อกี้มันก็ดับไปนะพอหรือฟื้นหรือไปเห็นไปได้ยินคณะของสัญญาก็เกิดขึ้น แต่ที่รู้จำแล้วก็จำแบบจำจริงๆจำแบบเจ็บยังไงก็ยังเจ็บเสียใจเช่นไรก็ยังรู้สึกได้ว่าเสียใจอยู่ยังร้องเรื่องผ่านมาสิบปีวันนี้ยังนั่งร้องได้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แล้วมันก็เหมือนกับหนังจีนที่แสดงสิบปีแก้แคนไม่สาย ไม่ใช่นั่นจบคนตายไม่อาจฟื้นแก้แค้นไปก็ไม่ฟื้นคนตายไม่อาจฟื้นร้องไห้ไปก็ไม่ฟื้นมันก็ได้แค่แสดงบทแต่เสียใจอาจจะมาว่าสิ่งที่น่าเสียใจมากกว่าคาว่าการร้องไห้คือเราได้ทำอะไรให้กับคนตายมากกว่า ถ้าจะควรเสียใจควรเสียใจว่าเรายัางพร่องอยู่ในเรื่องอะไรที่เรายังไม่ทำตัวนี้มากกว่าและโดยเฉพาะเรารู้ว่าในกองสัญญาเนี่ยที่เกิดขึ้นมันก็อยู่ในขันห้าหนึ่ง และขนาดเดียวกันพอจําได้หมายรู้ในกองสัญญามันยังมีอีกในรูปคณะของกองขันห้านะก็คือสังขารสังขารแห่งใจสังขารแห่งใจสังขารใจเนี่ยรู้ไม่ว่ามันปรุงยังไงมันถูกปรุงเสียง ความเพราะความชอบเกิดขึ้นเพราะสังขารเองใจเป็นตัวปรุงเสียงนี้บางคนอาจไม่ชอบก็ได้แต่บางคนบอกชอบเหมือนเสียงกีตาร์เด็กวัยรุ่นที่ดีกันแบบแสบแก้วหูเนี่ยเขาสนุกมามันใจเขาปรุงแต่งว่าเขาชอบ แต่อีกคนหนึ่งไม่ขาทาเลยไม่มีสาระไม่มีแก่นไม่ชอบบางคนก็เฉยเฉยแต่ว่าชอบก็ไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบเฉยเฉยยังไงก็ได้ฟังแล้วก็ไม่ปรุงไม่แต่งเหมือนมองภาพแล้วก็ผ่านไปได้ยินแล้วก็ผ่านไป แต่ที่เราไม่รู้ในกองสังขารที่มีใจครองโยนในการปรุงถ้าเราได้ฟังอยู่บทหนึ่งเตสังวูปะสมุสุขโคความเข้าไปสงบประงับสังขารได้ย่อมอยู่เป็นสุขสังขารจุดนี้ก็คือใจไม่ใช่คือร่างกายบางครั้งเราเรียกกัน สังขารร่างกายจริงๆในขันห้าคำว่าสังขารไม่ใช่คือร่างกายถ้าร่างกายจัดอยู่ในกองรูปกองรูปท่านพูดถึงขันหแต่ถ้าเราเรียกกันตามโลกๆบ้านๆเราก็คิดเหมือนสังขารเสื่อมเราคิดว่าเป็นเรื่องของร่างกายแต่จริงๆสังขารตัวนี้เาเรีอกสังขารธรรมคือใจ ที่มีการปรุงสังขารแห่งการปรุงแต่งมีสังขาระเนี่ยถ้าไม่ปรุงแต่งสังขารแล้วก็ปัญหาก็ไม่มีโศภัยก็ไม่มีฉันเราเคยตามไหมตามรู้ว่าคณะกองขันห้ามันเกิด มันตั้งดับอย่างไรปรุงขึ้นมาโลภโกรธหลงขณะนั้นเกิดอย่างไรในเมื่อไม่อนสติตามรู้เนี่ยมันมันก็ยากที่จะตามทันส่วนมากเราเองจะตามหลังในสภาพรู้ส่วนมากเรื่องเกิดแล้ว ค่อยมารู้ปรุงเหมือนไฟไหม่วอดไปแล้วก็มารู้ว่าไฟไหม้ไฟไหม้มันไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่มีสิทธิ์เท่าทันเลยพอมีการปรุงแต่งในสังขารแห่งใจของเรามันก็เกิดเวทนาขันเหมือนกัน เราเคยกาหนดตามอยูไ่ไหมเวทนาขันสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขปรุงเข้าไปพอพอใจก็บอกสุขไม่พอใจก็บอกทุกขมันก็เป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือเป็นกลา ง, ลางยังไงก็ได้นี่ก็คือหนึ่งในคณะของขันห้ามันเกิดสืบต่อ สัน ต, ติความสืบต่อไม่อย่างนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ในเรื่องของขันห้าว่าเป็นของหนักเราจะไม่รู้ว่าเรายึดขันห้าตอนไหนเวลาใดไม่รู้จริงจริงพอถูกปรุงเข้ามาแต่งเข้ามาพอใจเราเคยรู้ว่า เรายึดอยู่ในความพอใจเราติดอยู่ในความพอใจเรายินดีอยู่ในความพอใจเปล่าเรารู้แต่ว่ามันเป็นสุขไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นเองไม่ใช่ดินเหนียวมันปั้นเองไม่ได้ให้เป็นรูปที่ตนต้องการไม่ใช่ไม่ใช่ พอเราไปหลงโดยไม่รู้ว่าสุขไปหลงโดยไม่รู้ว่าทุกข์มันเป็นของหนักหนักใจทุกข์ใจเพราะอะไรก็ตามที่เรายึดมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแล้วสิ่งนั้นก็แปร แปรปรวนหยุดนิ่งอยู่ไม่ได้เลยไม่ว่าจะอยู่ด้วยอาการนามหรือรูปก็ตามมันแปรปรวนไม่ว่านามหรือรูปอย่างเช่นพอเราถูกปรุงถูกแต่งพอใจใ น, ในกองรูปนี่ก็คือหนึ่งในขันห้าอีกตอนนี้เราพอใจในวัยสิบ 89, 2ส2บเก 23, ยี่สบอดยบสองยบสาบว่าโอ้โหเรานี้สวยรูปร่างแต่งตึงหน้าตาผิวพรรณมีคนมาหมายปองชมเชยแล้วก็อยากเกยเด็ดดมเงี้ยนะ เ, เวลานี้ถ้าจะถ้าจะสะบัดก็สะบัดได้หน่อยนึงมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับ คนที่ยินดีในรูปพอใจในรูปและติดอยู่ในรูปจนถึงคำว่าหลงในรูปเราเคยกำหนดไหมว่ารูปไม่เที่ยงรูปมีสภาพทุกข์รูปไม่ใช่ตัวตนเปล่าคนหลงไว้ก็คือคนหลงตัวตนคนหลงตัวตนก็คือคนจมอยู่กับชีวิตที่เกิด ไม่ได้เป็นคำใหม่อะไรเลยเคยกำหนดไม่สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเกิดตอนไหนดับอย่างไรตั้งอย่างไรแปรปลนอย่างไรถ้าเราไม่พิ จ, จรนารณาเนี่ยความรู้ยิ่งไม่เกิดไม่เกิด สัมโพธายะไม่เกิดแน่และความรู้ยิ่งความเห็นจริงโพธิไม่เกิดเพราะเราไปมั่นหมายยึดในขันซึ่งแยกจำแนกเป็นรูปนามเรามั่นหมายในรูปนามขันและมั่นหมายแบบเป็นอัตตาเป็นตัวตน พอเรามั่นหมายในขันหเราไปสัมผัสอะไรสัมพันธ์อยู่กับสิ่งไหนมันก็เป็นยางเหนียวติดไปทุกเรื่องเสมือนพันตัวเองมัดตัวเองสังเกตดูดะจนบัดนี้นะเราว่าเราเป็นนักปฏิบัติเนะจริญภาวนาอยู่นะ เรายังกำหนดขันห้าไม่ได้เลยเกิดดับปรุงแต่งมันหมายสุขทุกในรูปนามเนี่ยเราไม่ได้มีปฏิเวทคือความรู้ที่จะแทงให้ตลอดเราอาจจะได้ในขณะจิตหนึ่งในขณะที่สติได้เจริญ ในขณะสติที่เกิดหนึ่งเนี่ยแต่มันไม่ตลอดสายกําลังไม่พอที่จะยกตนขึ้นออกจากหล่มหรือยกจิตขึ้นสู่ธรรมแล้วก็พิจารณาโดยทมตลอดมันก็เหมือนรถติ ด, ต, ด, ต, ดติดดำดับยุมนึกออก วิ่งติดๆดดับๆติดๆ ด, ดับๆถูกกระชากหน้าทีหลังทีหน้าทีหลังทีเม า, าคนขับก็ติดขัดขัดเครื่องไปหมดอาการอย่างนี้มันหงุดหงิดมันเป็นปฏิฆะฟุ้งซ่าน ร, รำคาญใจเป็นอุทะจะกุกุจจะหรือทินามิทะ ความเคลิมมันเหมือนคนเมาชีวิตดูคนก็เมายามองอะไรก็มันว่าบวิวเคริบเคริ้มอ่อนไว้หรือบางครั้งก็แส ด, แดงตรงกันข้ามก็คือดุดันแตกหักและก็ทำลายนี่คืออาการของเมามีอยู่สองอย่าง บางทีก็ว่าบิวอ่อนไม่มีสภาพที่จะประคองสติได้จะทุดะจะถูกฉุดถูกกระชากไปไหนเหมือนไม่มีกำลังที่จะต้านแล้วแต่เขาจะดึงไปไหนอีกในยะหนึ่งแข็งกราวดุดันใช้กำลังทำลายตัวเอง ทำร้ายผู้อื่นบางทีก็กลัวประสาทหลอนแล้วคิดไม่ว่าคนที่หลงชีวิตเนี่ยรู้ไม่ว่าเป็นคนประสาทหลอนเหมือนกันไม่วางไม่ไว้วางใจใครเลยอะหลอนไหมนะกลัวคนนั่นจะโกงคนนี้จะสารพัสารพั หนังนกเก้าพกปืนดีกว่าพกมีดมันไม่ใช่อ่ะยิ่งรู้เท่าไรในกองขันห้านะ่าดูเหมือนเราจะไม่ติดอยู่กับในขันแล้วก็ไม่มีใครนะที่จะหลงอีกถ้ารู้ว่าขันห้านะ่เป็นของหนะักดังนั้นคนมีปัญญา เขไม่แบกถือของหนะักพาไปนะจริงบอกพระอริยเจ้าท่านจริงสลัดทิ้งเสียแล้วพอมีรูปท่านก็กำหนดรูปพอมีเวทนาท่านก็กำหนดเวทนาพอมีสัญญาท่านก็กำหนดสัญญาพอมีสังขารแห่งใจท่านก็กำหนดสังขารในการพรุงแต่ไม่หลงในวิญญาณขันด้วยก็ไม่หลง ลงทำไมขันหาภาระห้าโรจบุคคลโลบุคนแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขมาสรุปว่าพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วและไม่หยิบช่วยเอาของหนักขึ้นมาอีก ขึ้นต้นเลยปาราหาเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอ้อครับบอกท่านรู้แล้วท่านก็เลยไม่หยิบช่วยก็แสดงว่าการมีชีวิตในรูปนามขันเนี่ยท่านไม่ไปหลงท่านไม่หลงรูปหน้าตาหลงชื่อว่ากายยาเนี่ยท่านไม่หลงสุขทุก ท่านก็เดินผ่านมาทำไมต้องหลงไม่จำเป็นต้องหลงใครก็มีสุขใครก็มีทุกข์ทั้งนั้นไปลงทำไมไปตะเกียดตะกายหาสุขมันไม่ใช่ไม่ใช่ยิ่งหาดูเหมือนยิ่งไม่เจอทำไมอ่ะไม่เจอก็เพราะการแสวงหานั้น ยังไม่ถูกทางจึงไม่เจออริยะปริเยสนาสแสวงหาอย่างประเสริฐท่านรู้แล้วฉะนั้นสิ่งที่ท่านไม่ไปติดไปหลงเหมือนกับเราเราท่านๆเนี่ยก็เพราะท่านมองว่านั่นไม่ใช่ทางของความสุขแต่มันเป็นทางสนุกสนาน ความเพลิดเพลินเหมือนในมาลากํากำลังเพลิดเพลินอยู่กับกลิ่นของมาลาบ้างดอกสีของมาลาบ้างและรูปทรงของมาลาบ้างแล้วรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ไม่นาดทั้งกลิ่นและทั้งรูปทรง พร้อมทั้งสีในครั้งพุทธกาลก็มีผู้ที่เขากำหนดเอาเอาดอกไม้มากำหนดหมันดอกบัวที่ยังสดเขียวกรีบยังสวยพอพับออกมาเกสอนเกิดความปีติยินดีแล้วก็ให้ พิจารณากำหนดทำกรรมฐานอยู่กับเพราะบุคคลนี้มีวาสนามาอยู่กับเรื่องความสวยงามเป็นนายช่างทองเก่าให้ปรงอสุภะปรงอย่างไรจิตก็ไม่ตามไม่ตามเอาว่ากรรมฐานไม่เกิดจิตไม่สงบเอาเลยฟุ้งซะอีกไม่ถูกจริตสิทธิของพระสารีบุตรเนี่ย พระสารีบุตรสอนอย่างไรก็ไม่ได้ผลเลยก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพนะระพุทธเจ้าก็ให้อุบายมาพระรู้ว่าในอนดีตชาติเขาเคยอยู่แต่เรื่องความสวยความงามเรื่องรูปพรรณของทองคำสีสดสวยอยู่ไปให้เพ่งศพใจมันไม่เคลิ้มตาม ไม่เคลิ้มแต่เราให้ดูของสวยก่อนของสวยเห็นไหมพอดูไปก็จิตก็เกิดเกิดขึ้นก็ให้พิจารณาวันต่อมาสองวันต่อมาสามวันต่อมาเป็นไงโยมว่าสีที่สวยมันดำลง กรีบที่แต่งตึงสวยมันก็ห่อเหี่ยวเกียร์สที่งดงามมันก็พิจารณาแล้วก็เกิดความสลดใจว่าเอ๊เมื่อก่อนเคยสวยเรานิยมชมอยู่แต่มาบัดนี้ไม่เป็นดังที่เห็น เกิดฉลดใจทีนี้ให้กรรมฐานรับเลยละ่ะเปิดปุ๊กติดปั๊บเลยเพราะได้เห็นสภ า, าวะในความแปรปรนในสิ่งที่ไม่คงไว้เป็นสภ า, าพที่เห็นแล้วจิตรู้ได้แล้วตอนนั้นอย่างนี้ก็พร้อมที่จะบรรลุได้เห็นไหม ก็เหมือนในพยาติของพระพุทธเจ้าวันที่จะวันแต่งงานที่จะทรงเจ้าสาวขึ้นหอเนี่ยให้อุ้มบาทตามหลังมาแต่ก็คิดแต่ถึงรูปหน้าคิดแต่ถึงคนรักพระพุทธเจ้าก็สรุปว่า พาไปดูเทพธิดาที่งดงามมากงดงามกว่าเจ้าสาวตัวเองพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าใครสวยกว่าใครงามกว่าบอโอเปรียบไม่ได้เลยทีนี้นก็พาไปดูนางลิงก่อนไม่ใช่ลิงธรรมดาด้วยลิง ปากแหวง่งจมูกแหว่งด้วยนะพอให้เทียบก็บอกโอ้แฟนสาวตัวเองก็เหมือนกับนางลิงนั่นแหละถ้าเทียบกับมเมตเพียบที่ดาแล้วนะทามันอยากได้ไม่อยากได้อ้า้งั้นเธอก็ทําความเพียรแล้วเธอก็จะได้สิ่งนี้หมดโหตั้งใจใหญ่นะให้บวชเอา้าได้บวชนี่ก็เป็นอุบายหนึ่งเหมือนกันนะที่ได้บวชเข้ามา เห็นไหมแต่สุดท้ายก็พอรู้สภาวะ่าจริงมันก็ไม่เอาคนที่หลงอยู่ก็คือยังยังรู้ไม่จริงยังรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงถ้าเรากําหนดรูปจริงๆแล้วเราจะเห็นสิ่งที่เราและอยู่กับกองคูดมูดจริงๆนะ ตัวมนุษย์เราเนะี่ยไม่ได้มีกลิ่นไอที่หอมนะมีแต่เอากลิ่นมาฉลม้มกลิ่นตัวจริงๆไม่หอมเลยพิสูจน์ได้เลยทุกคนพอเหงื่อออกหน่อยแล้วกลิ่นตัวออกไม่ได้ขับล้างตัวเองสักวันสองวันก็ไม่กลิ่นตัวเสื้อดูสัตว์เนะี่ยเราบอกเราได้กลิ่นสาบ มนุษย์มันจะต่างอะไรที่ขนาดว่าเราอาบน้ำวันละสองรอบสามรอบมันยังมีกลิ่นนะแปลงพันทุกวันทุกวันขับถ่ายเป็นที่เป็นทางก็ดูไม่อุด จ, จัดตาก็เดินออกมาก็มีแต่ไมอยาฉีดอีกแล้วหอ แต่งผมแต่งขนแต่งไปเห็นไหมถ้าเรากำหนดรูปจริงๆแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะหลงอีกนานได้แค่ไห น, นกำหนดจริงๆนะพอสติแก่กล้าแล้วก็เหมือนยอมรับธรรมที่มีอยู่และธรรมที่เป็นไป ยอมรับก็ไม่ต้องหลงกันทีนี้ขันห้าไปหลงรูปไปหลงเวทนาสัญญาสัญขารวิญญาณสิ่งมากระทบสัมผัสที่อยู่ร่วมกันรูปเสียงกลิ่นรสถ้าไม่กำหนดมันก็เหมือนชีวิตเดิมๆกี่คนกี่คู่ก็จมอยู่ในสภาพ เหมือนหนึ่งเดียวคนมาเกิดมาสักกี่ล้านล้านล้านล้านดูเหมือนหนึ่งเดียวตายสภาพเดียวกันที่ไม่ปล่อยวางเลยแก่เจ็บตายที่ไม่ปล่อยวางความมั่นหมายในทรัพย์สมบัติที่ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของกิเลสตัณหาเลยก็ยังเมาอยู่ จึงไม่เป็นทางออกฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายอมรับที่สุดก็คือการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมความเห็นอันยอดเยี่ยมความดุดพ้นอันยอดเยี่ยมก็ เ, เรียกเป็นวิมุตตานุ ต, ตริยะความพ้นอันเยี่ยมสิ่งอื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกไว้เยี่ยมเลย ไม่ไม่ไม่ได้ยกเลยฉะนั้นกระแสะของเราเนี่ยต้องเป็นกระแสธรรมไม่ใช่กระแสะโลภโกรดหลงทีนี้เรากำหนดได้แล้วที่บอกมีสติกำหนดรูรูปนามขันเนี่ยบางทีเรากำหนดอยู่แต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่กำหนดความหมายคืออะไร กำหนดเพิ่งให้รู้ไงเมื่อรู้แล้วเนี่ยทำให้มรรคผลเนี่ยแจ้งไม่ใช่รู้แล้วจำรู้แล้วเอามาท่องรู้แล้วเอามาอยู่กับชีวิตที่ไม่รู้แบบเดิมๆ ม, มันก็ไม่ใช่เขาไม่เรียกว่ารู้ธรรมะ เรรู้จำธรรมะมันก็หมดจากความสงสัยความอิจฉามันก็หมดความริษยาก็หมดเพราะไม่รู้ต้องมาอิจฉามนุษย์ที่มีกิเลสกับทุกข์เนี่ยนะอิจฉาไม่น่าอิจฉาพระพุทธเจ้า สงสารคนเหล่านี้นะไม่เคยอิจฉาเลยไม่มีไม่มีก็ดูขนาดพระเจ้าอาชาติศตรูได้สมบัติมาหมดแล้วไม่ใช่คือมีสุขในเมื่อขนทางที่เดินผิดเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วจะมีทรัพย์มีผู้ห้อมล้อม มีอำนาจที่เป็นที่ตายได้ก็ยังไม่ใช่ยิ่งมีอำนาจก็ยิ่งสร้างบาปกรรมอีกนะเพราะไปทำลายคนดีอีกสู้ไม่มีดีกว่าก็ดูเหมือนพระเทวทัตที่เราเคยฟังบ่อยถ้าพระเทวทัตไม่ไทยานอยาก พระเทวทัตนิพพานไว้แล้วและไม่อยู่ด้วยทุกข์ด้วยนะการเบียดเบียนก็ไม่มีแต่นี่เป็นเพราะพระเทวทัตเขาสแสวงหาในสิ่งที่เขาไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่ทางประเสริฐมันเป็นทางวิบัติจริงๆชีวิตเราเนี่ย เราต้องเข้าเจอเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยอะไรเราแสวงหาสิ่งนั้นพอได้สิ่งที่เราดำรงชีิตอยู่เราต้องมีสติแล้วว่าเราจะใช้จะเสพอย่างไงดำรงอย่างไรเพียงพอแค่ไหนใช้ใจอย่างไรทำไมต้องจัดสรรชีวิตเพราะเวลาชีวิตมีน้อยยืนยันได้มีน้อย ทำไมมีหมื่นล้านพันล้านมันมีอะไรหรือเป็นอภิสิทธิชนให้ชีวิตยืนยาวขึ้นแก่ช้าลงไม่ตายหรือไงไม่ใช่หรือกินอิ่มกว่าคนที่เป็นกรรมกรไม่ใช่อโอกรรมกรกินเยอะกว่าะมานดูแล้วแล้วก็กินอร่อยด้วยนะคำโต หลายคนเข้าใจว่าเราจะมีข้อยกเว้นมีสิ่งวิเศษหรือเป็นคนพิเศษพวกเรามันเอาหน้ากากไงเอาโคลนเนี่ยมาสวมเอาหน้ากากมาใส่แล้วก็สร้างสังคมจอมปลอมขึ้นมาเพื่อให้มาใช้ทรัพย์ เพื่อให้ทรัพย์มีที่ใช้รวยทำอะไรก็ต้องมาซื้อเครื่องประดับรวยมาทำอะไรมาสแสวงหาอำนาจเพื่อมาซื้อไงไม่งั้นมันไม่มีของเล่นชีวิตมันไม่มีที่ไปเงินเน่เขาก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้จูงใจว่าเมื่อเราได้ เฟอร์นิเจอร์ชีวิตมากแล้วนั่นแหละอยู่เหนือคนแล้วคุณมีพร้อมทุกอย่างคุณจัดว่าเป็นบุคคลในระดับชั้นแนวหน้าหรือในที่ไฮโซทั้งหลายนะนั่นคือที่ใช้เงิน ไม่งั้นไม่รู้จะจายอะไรเพราะชีวิตจริงๆมันก็กินเท่านี้นอนเท่านี้ใส่เสื้อผ้าเท่านี้ใช้แบบที่ใช้ชีวิตประจำวันพอมากกว่านี้ก็คือซื้อไงซื้อแต่เหนื่อยนะเหนื่อยไม่มีใครที่บอกไม่เหนื่อยแล้วก็ราคาเขาก็ตั้งจนถึงราคา คุณพอใจเป็นสินค้าที่ซื้อด้วยความพอใจเท่านั้นก็บอกตีข้างวดไม่ได้มันไม่ใช่อยากได้ไหมล่ะสู้กันดิประมูลสู้กันมาใช้เงินกันหมดแล้วไปหากันอีกโอชันหกืออะอ๋อชนะได้หน้าได้ตา มีชิ้นเดียวเป็นเอกชิ้นเดียวในโลกความพอใจเท่านี้นะซื้อกันเป็นหมื่นเป็นพันล้านมันจำเป็นถึงขนาดนั้นหรือมันจำเป็นสำหรับคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเพราะเขาหามาแล้วจะเอาไปไหนที่มีแล้วต้องซื้ออีกไม่ได้อยู่หรอก ซื้อแล้วก็จ้างให้เขาดูแลเอาไปไหนมันมีอีกซื้ออีกจ้างคนไปดูแลต่อให้ซื้อรถให้เต็มบ้านทัก2ยี่สิบคันมันก็นั่งทีละคันน่ะถ้านั่งทีละสองคันเนี่ยตายวันนั้นเปิดประตูทางขานั่งเดี๋ยวก็รถผ่ามากพอดีตาย จะใส่มีเสื้อผ้าสักมากกี่ร้อยกี่พันชุดก็ตามใส่ทีละชุดถ้าใส่ทีสองสามชุดเฟ้อฟ้าใหญ่แล้วนะไม่ปกติแล้วนะอุณหภูมิมันไม่คงที่คนนี้ติดเป็นทางเพี้ยนกับบ้าแล้วก็มีเงินนะ่ทำงานอะไรก็ต้องใช้อะใช้ใช้ใ ช, ใช้ไปใช้อะไรกินก็มันเท่านี้ เห็นหมมันต้องซื้อทุกนั่นก็จะซื้ออะไรดีมันจะเป็นทุกข์อีกภาวะหนึ่งของคนมีไม่สนุกเห็นไหมเห็นบ้านซื้ออีกมีกิจการขยายอีกมีเงิน่ะมีเงิ น, งนซื้อต้องใช้ใช้มีอะไรแพงบ้างอยากจะซื้อนะกินไม่หมดแล้ว มันต้องหาเรื่องต้องใช้ไม่มีอะไรเจ็บตัวดีกว่าไปทําศัยกรรมใหม่มันจะเศร้าใจที่สุดตอนไหนไหมตอนที่เรารวยมากมีทุกอย่างแต่ชีวิตแก่แบบกําลังจะต้องตายเนะี่ยรัพย์ในที่สุดที่เราเหนื่อยมาช่วยไม่ได้มันเศร้านะมันเศร้าเราดูเหมือน ใช้ชีวิตมาสำเร็จชีวิตแล้วในเรื่องของการเงินแต่เราไม่พบชีวิตที่ควรจะเป็นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันซื้อไม่ได้ซื้อร่างกายมันซื้อไม่ได้ไม่ได้เออถ้ามันซื้อร่างกายแล้วก็เปลี่ยนร่างกายได้พอตายก็ซื้อให้ฟื้นได้แล้วก็ เปลี่ยนร่างได้ต่อมาก็จะเดินไปด้วยคนเหมือนกันมันสนุกดีงั้นแต่มันไม่ใช่ถ้าใช่พระพุทธเจ้านะไม่ออกทำความเพียรออกเพราะสุดท้ายเชื่อว่าเราถึงตายชาตินี้ก็ยังต้องเกิดและหมุนกลับมาแบบเดิมเอาแมให้รู้อีก ซื้ อ, อแล้วก็มาเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็เวียนมาอีกนี่คือเราได้ในฐานะที่ดีแต่มันก็ไม่ได้พ้นทุกมันไม่จบนะโยมทำอย่างไรให้มันจบ ก, ก็ทำเสียเพราะเวลามันจะหมดแล้วนะแม้การบรรยายทำมันก็ต้องจบ ทั้งผู้ฟังและก็ผู้บรรยายก็ต้องจบฉะนั้นเรายอมรับความเกิดดับไปอย่างและนรู้วิธีการปรุงขันห้ายังไงไปกำหนดพิจารณาและทำให้แจ้งและท่านจะรู้ว่ามรรคผลนิพพานมีจิต ที่อยู่เหนือวัตถุมีจริงจิตที่อยู่เหนือโลกโปรดหลงมีจริงจิตที่อยู่เหนือกรรมคุณหามีจริงแล้วไม่ต้องถามใครด้วยนะเพราะจิตมันได้คาว่าปฏิเวทเอละก็ขอยุดติการบรรยายขอญาติโยมจงเป็นผู้มีความสุขในธรรมโดยโทั่วถึงทุกท่านทุกคนเทิด